ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญสนท้ายเนื่องจากเรารู้ว่าวันนี้จะไม่มีอีกแล้วนั่นเองวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันใหม่เป็นปีใหม่ส่วนวันที่31ธัน ว, วาคมพุทธศักราช2554จะไม่มีอีกแล้วดังนั้น ที่วันนี้จะจากเราไปเราควรจะช่วยโอกาสทำบุญให้มากเพราะบุญเท่งนั้นที่เป็นสิ่งที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้สิ่งองื่นๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นของโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราแม้แต่ร่างกายของเราที่จะต้องแก่ ต้องเจ็บแนละต้องตายไปตามลำดับก็ไม่ใช่เป็นของเราเช่นเดียวกันเป็นของโลกนี้โลกนี้ก็คือโลกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนผลิตมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าต้นยญ้าไม่ว่าจะเป็นภูเขา ไม่ว่าจะเป็นข้าวของต่างๆบ้านเรือนรถยนต์สิ่งของต่างๆล้วนเป็นของที่ผลิตมาจากธาตุสี่ทั้งนั้นคือผลิตมาจากดินน้ำลมไฟสิ่งเหล่านี้เป็นของของโลกนี้ไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นพวกเรานี้ <c oughs> เพียงแต่ได้มา เกิดมาได้ร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้หาสิ่งของต่างๆมาให้แก่เราแต่เรามักจะลืมไปว่าสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ในโลกนี้รวมทั้งร่างกายของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้กับโลกนี้ไปโลกนี้จึงเปรียบเป็นเหมือน โรงละครที่พวกเรามาแสดงเป็นตัวละครต่างๆกันบางคนก็แสดงเป็นเป็นพระเอกเป็นนางเอกบางคนก็แสดงเป็นนางรองเป็นพระรองบางคนก็เป็นผู้ร้ายบางคนก็เป็นผู้ดีบางคนก็เป็นพระบางคนก็เป็นมาร นี่เป็นบทละครที่พวกเราต่างๆทั้งหลายได้มาเล่นกันผู้ที่กำหนดบทละครของเรานี้ก็คือกรรมนั่นเอง <c oughs> กรรมก็คือการกระทำที่เราเคยทามาในอดีตถ้าเราเคยทำบาปทำกรรมมาเราก็จะติดนิสัยมาทำบาปทำกรรมต่อ ถ้าเราเคยทำบุญทำความดีมาเราก็จะมาทำความดีเล่นบทดเบทีเล่นบทพระเล่นบทพระเอกนางเอกแต่ถ้าเราทำแบาบปทำกรรมมาในอดีตมันก็จะติดเป็นนิสัยมาทำให้เราต้องมาเล่นบทร้ายเป็นผู้ร้ายเป็นคนไม่ดี นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วได้นำเอามาเผยแต่สั่งสอนให้แก่พวกเราให้เรารู้และเราจะได้ไม่หลงกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราไม่ใช่สิ่งต่างๆเราเป็นใจใจเรียกว่าธาตุรู้หรือ ผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดผู้ที่กาลังพูดอยู่นี้และผู้ที่กำลังฟังอยู่ดีไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงสื่อสำหรับส่งความรู้สึกนึกคิดไปให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นก็อาศัยร่างกายเป็นผู้รับความรู้สึกนึกคิดมา แล้วก็เกิดความรู้สึกนึกคิดใหม่ตามขึ้นมาความรู้สึกนึกคิดนี้หรือธาตุรูนี้เป็นผู้ที่มาครอบครองมาได้ร่างกายเป็นสมบัติชั่วคราวมาได้จากมารดาที่ตั้งครรภ์พอได้แล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมา แล้วก็พลอดออกมาเป็นเป็นมนุษย์จะมีจะเป็นมนุษย์ที่ดีที่สวยที่งามที่ฉลาดหรือไม่จะมีอาการครบส2สองหรือไม่จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่ก็อยู่ที่บาปและบุญที่ได้ทำเอาไว้ในชาติก่อนก่อน คนเราจึงมีความแตกต่างกันในร่างกายบางคนก็สวยงามบางคนก็ไม่สวยงามบางคนฉลาดบางคนไม่ฉลาดบางคนมีบุญเกิดมาได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยบางคนไม่มีบุญก็ต้องมาเกิดในครอบครัวของคนที่ไม่ร่ำรวย แต่ว่าไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะสร้างความสุขให้แก่ตนได้ทุกคนถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธาความเชื่อที่จะปฏิบัติตามทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขมีสิทธิ์ที่จะมี ความหลุดพ้นจากความทุกข์มีสิทธิที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีสิทธิจะไม่รู้ว่าตนเองเป็นอะไรเป็นใครกันแน่จะคิดว่าเป็นร่างกายกันแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นตามมาบางคนก็คิดว่าเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วก็สูญหายไปไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยบางคนก็คิดว่าตายไปแล้วก็จะไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างหรือกลับมาเกิดใหม่บ้างความคิดเหล่านี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนที่เรียกว่าความเห็นผิด ที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิและความเห็นถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นถูกตามความจริงก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่าตายไปแล้วตายเพียงแต่ร่างกายแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือความรู้สึกนึกคิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความรู้สึกนึกคิดนี้จะเป็นผู้ที่จะ ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นความคิดที่ถูกถ้าคิดว่าตายไปแล้วทุกอย่างก็จบร่างกายก็กลายเป็นที่เท่าไปแล้วก็ไม่มีอะไรตามมาหลงเหลืออีกต่อไปบุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไว้ก็จะหมดไปพร้อมๆกับการตายของร่างกายถ้าคิดอย่างนี้ ก็เป็นความคิดที่ผิดเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นเองมันเป็นอย่างที่พระพุทธจเจ้าทรงสอนนี่แหละว่าใจนี่แหละเป็นผู้มาเกิดแล้วก็ใจนี่แหละผู้ที่จะไปเกิดต่อไปเกิดใหม่อีกหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วร่างกายนี้จึงเป็นเหมือนตัวละครที่ใจได้รับมา มาเล่นบนโรงละครเวทีอันใหญ่ก็คือโลกอันนี้พอร่างกายนี้ตายไปใจผู้เล่นละครก็จะต้องไปไปเล่นโรงใหม่ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่จะได้ร่างกายใหม่ที่ดีหรือที่ไม่ดีก็อยู่ที่บุญและบาตที่ทากันในขณะที่เล่นโรง เลนละครกันอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นถ้าเรามีนิ ส, สัยที่ชอบทำบาปไม่ชอบทำบุญเราก็ควรที่จะกลับมาเปลี่ยนนิ ส, สัยเสียเพราะว่ายังเปลี่ยนได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องของนิ ส, สัยนี้ยังเปลี่ยนได้แต่ก็อาจจะยากดังที่มี สุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าคนชั่วหรือคนบาทนี้ทำความดียากเช่นเดียวกับคนดีคนใจบุญก็ทำบากยากเพราะว่ามันไม่ถนัดนั่นเองเคยทำอะไรมาก็จะถนัดทำอย่างนั้นก็จะง่ายเช่นคนถนัดมือขวาก็จะใช้มือซ้ายได้ยาก คนที่ถนัดมือซ้ายก็ใช้มือขวาได้ยากแต่ก็สามารถที่จะเรียนได้เช่นสมมติว่าถนัดมือขวาแต่มือขวาใช้งานไม่ได้ก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายตอนต้นเวลาหัดใช้ใหม่ๆก็จะรู้สึกลําบาญรู้สึกว่ายากแต่เนื่องจากมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ มือซ้ายเมื่อใช้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเกิดความถนัดขึ้นมาชันใดเรื่องของการทําบุญทําบาป ก, ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราทําบากง่ายเราก็จะรู้สึกว่าเราทําบุญยากถ้าเราทําบุญง่ายเราก็จะรู้สึกว่าทําบากยากแล้วถ้าเราอยากที่จะได้ ผลที่ดีในอนาคตคือมีความสุขมีความเจริญและตายไปก็ได้ไปเกิดในภพที่ดีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมเราก็ต้องพยายามทำบุญให้มากถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ายากก็ตามแต่ขอให้เราเชื่อที่พระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่า ทำไปแล้วจะง่ายขึ้นไปเองยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นเหมือนกับการกระทำอะไรต่างๆเวลาที่เราทำครั้งแรกแเราจะรู้สึกว่ายากเช่นเวลาขับรถยนต์ถ้าไม่เคยขับเลยเวลาหัดขับครั้งแรกนี้จะรู้สึกว่ายากมากแต่พอขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆขับไปทุกวัน ต่อไปก็จะรู้สึกว่าง่ายมากแทบจะไม่ต้องคิดเลยเพอถึงเวลาขึ้นถก็สามารถสต า, าร์ทนกแล้วก็ขับออกไปได้เป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยแม้แต่ร่างกายนี้ในเรื่องต้นก็ยากที่จะเดินได้ที่จะยืนได้ตอนที่เป็นเด็กๆนี้กว่าจะลุกขึ้นมายืนได้ ลุกขึ้นมาเดินได้ก็ต้องพยายามถ้าไม่พยายามก็จะไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาวิ่งลุกขึ้นมาทําอะไรต่างๆได้ดังนั้นความยากนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สุดวิสัยที่จะแก้ไขเพราะว่าถ้าเราพยายามทําแล้ว ต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นไปเองดังนั้นถ้าเราเชื่อบุญเชื่อบาปเราก็ต้องมาทำบุญละบาปกันเพราะบุญนี้จะส่งผลดีให้กับเราส่วนบาปนี้จะส่งผลเสียผลร้ายให้กับเรานั่นเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาปัจจุบันก็คือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเรา อนาคตก็คือภพชาติที่ดีหรือไม่ดีที่เราจะต้องไปเกิดต่อไปอยู่ที่บุญและบาปนี้เท่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีบุญและบาปคือกรรมเป็นของตนจะทําบุญหรือทําบาปก็จะต้องเป็นผู้รับผลของบุญและบาปนั้น ไม่มีใครสามารถที่จะมารับผลของบุญหรือบาปแทนเราได้และไม่มีใครสามารถมาทำบุญและทำบาปแทนเราได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองถ้าเรารู้สึกว่าทำบุญยากเราก็ต้องพยายามฝืนทำบ่อยๆทำให้มากแล้วต่อไปก็จะง่ายเองถ้าเรารู้สึกว่าทำบา ทำบาปง่ายณนะจะเลือกทําบาปยากเราก็ต้องพยายามเลือกการกระทําบาปให้ได้เช่นเราต้องถือศีลห้ากันรักษาศีลห้ากันถ้าเราชอบพวกอบายมุกต่างๆเราก็ต้องละเว้นพวกอบายมุกเช่นถ้าชอบสุบเดิมสุรายามา ก็ต้องละเว้นชอบเล่นการพนันก็ต้องละเว้นชอบเที่ยวกลังคืนก็ต้องละเว้นชอบคบคนไม่ดีเป็นมิตรก็ควรจะละเว้นชอบความเกลียดคร้าก็ต้องละเว้นความเกียดคร้านนี้เราต้องละเว้นด้วยความขยันอย่ากเกลียดครา้าพยายามทำอะไรให้มากๆอย่าอยู่เฉยๆหาอะไรทำอยู่เรื่อยๆ แล้วต่อไปความขยันก็จะเอาชนะความเกียดครานได้ถ้าเราไม่ทำแล้วการกระทําที่ไม่ดีของเรานี้จะฉุดลากให้เราไปสู่ที่ต่าอนาคตก็จะไปเกิดในอบายในปัจจุบันก็ต้องอยู่กับความทุกข์กับความวุ่นวายต่างๆคนที่มี คนที่ชอบเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับอบายามุขเช่นการดื่มสุราการเล่นการพ น, นันการเที่ยวกลางคืนความเกลียดข้านคนเหล่านี้จะไม่มีทางที่จะเจริญได้เพราะอบายามุขนี้เป็นเครื่องดูดซับสมบัติต่างๆที่มีอยู่นี้ให้หมดไปดื่มสุรานี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย เล่นการพนันก็มีแต่เสียมากกว่าจะได้ถ้าได้มาก็เล่นอีกพอเล่นอีกเดี๋ยวนาที่สุดก็ต้องเสียอีกเช่นเดียวกับการเที่ยวเตรก็มีแต่เสียรายได้ไม่มีรายได้มีแต่เสียทรัพย์เสียสมบัติเข้าของเงินทอง <S 2> <S 2> นอกจากนั้นยังเสียเวลาเสียสุขภาพพอเวลาขาดเงินขาดทองขึ้นมา ก็จะต้องไปทำบาปทำกรรมไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงและไปฆ่าสั์ตัดชีวิตไปประพฤติผิดประเวณีนี่เป็นการกระทำที่ไม่ดีที่จะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความเสื่อมมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้นตายไปก็ต้องไปเกิดในอบาย เช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างหรือไปตกนรกบ้างนี่คือผลที่เกิดจากการทำบาปดังนั้นเราควรที่จะคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำแล้วจะทำให้เราเกิดความกลัวบาปเกิดฮิริโอตตะปะคือความอายในการกระทำบาปและความกลัว ผลของบุญที่จะผลของบาปที่จะตามมาถ้าเรามีเฮริโอตปะแล้วเราจะไม่กล้าทำบาป ก, กันเหมือนกับเราไม่กล้าทำผิดกฎหมายเพราะเรารู้ว่าทาแล้วจะต้องถูกจับไปเข้าคุกเข้าตารางแต่เนื่องจากเราไม่เห็นว่าการทําบาปนี้จะทำให้เราไปเกิดเป็นเทราชานบ้าง ไม่ตกนรกบ้างเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราต้องเห็นด้วยตาในคือต า, ตาใจถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะเห็นแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ควรจะเชื่อผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาแล้ว เช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกทั้งหลายท่านเห็นบาปท่านเห็นผลของบาปด้วยใจของท่านเพราะใจของท่านนั้นได้เปิดกว้างจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองแต่ส่วนพวกเรานี้ใจของพวกเรายังปิดอยู่เหมือนกับตาที่ไม่ลืมขึ้นมา <c oughs> ก็ไม่สามารถเห็นสิ่งต่าง ที่คนลืมตาเห็นได้ถ้าพวกเราอยากจะเห็นเราก็ต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและเจริญปัญญารับรองได้ว่าจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นภพต่างๆอย่างแน่นอนเห็นการเวียนว่ายตายเกิดและเห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเห็น ได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการปฏิบัติของเราสิ่งที่เราควรจะทำก็คือควรจะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เห็นแล้วอย่างแท้จริงและมีผู้ที่เชื่อและสามารถเห็นตามได้มีเป็นจนํานวนมากนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคาสอน สอนเรื่องเวียนว่ายตายเกิดสอนเรื่องบุญเรื่องบาปสอนเรื่องภพชาติต่างๆก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมากลายเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากพระอริยสงฆ์สาวกทุกๆพระองค์นี้ไม่มีองค์หนึ่งองค์ใดที่จะมาปฏิเสธ มาคัดค้านว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นความจริงเลยเพราะมันเป็นความจริงเหมือนกับเวลาที่เราได้ยินได้ฟังคนที่เขามิดคนที่เขาลืมตาบอกว่าถ้าลืมตาแล้วจะเห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายเช่นในศาลานี้จะเห็นพระพุทธรูปจะเห็นคนมากมายนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่ถ้าเราปิดตาอยู่เราก็จะไม่เห็น แต่พอเราลืมตาขึ้นมาเราก็จะเห็นเหมือนกับคนที่เขาลืมตาเห็นอยู่นี่ก็เป็นเช่นเดียวกันตาของพวกเราตอนนี้มันมืดบอดคือตาในมันถูกโมหะอวิชชา <c oughs> ความหลงความไม่รู้จริงนี้ปิดบังเอาไว้ <c oughs> เราจึงต้องปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเปิดตาในขึ้นมาด้วยการทำลายโมหะอวิชชา ที่มีอยู่ในใจนี้ให้มันหายไปให้มันหมดไปพอมันหายไปแล้วเราก็จะเห็นเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นที่พระอริยสงฆ์ได้รู้ได้เห็นกันและเราก็จะสามารถที่จะได้ผลบุญได้รับผลอันดีอันเลิศจากการปฏิบัติธรรมของเรา คือเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นความทุกข์นั่นเองเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ปวด่วยทุกกับความตายทุกกับการพัดพรากจากกันแต่ถ้าไม่มีร่างกายไม่ได้มาเกิด ก็ไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายไม่ต้องมาพัดพราดจากกันนี่คือการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้ปฏิบัติจนถึงขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วไม่ต้องมาทุกข์เหมือนพวกเราพวกเราก็สามารถที่จะไม่ต้องทุกข์แบบที่เราทุกข์กันอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ ด้วยการไม่กลับมาเกิดอีกด้วยการทำบุญให้เต็มที่ด้วยการละบาปให้เต็มที่และด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาแล้วผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นได้ทรงรับก็จะเป็นผลที่พวกเราทั้งหลายจะได้รับเช่นเดียวกันไม่ต้องกลัวว่าการไม่กลับมาเกิด น, นี้แล้ว เราจะเป็นเราจะสูญหายไปเราไม่มีวันสูญหายเราก็จะมีความสุขเหมือนที่เรามีความสุขในขณะนี้แต่จะมีมากกว่านี้หลายร้อยเท่าและจะไม่มีวันหมดสิ้นไปและจะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของเราเลยเรานี่เป็นสิ่งที่ไม่ตายคือความรู้สึกนึกคิดผู้รู้นี่เป็นสิ่งที่ไม่ตาย แต่ถ้ามีความหลงก็จะถูกหล อ, อกให้มาเกิดให้มาหาร่างกายให้มาได้ร่างกายแล้วก็ให้มาทุกข์กับร่างกายทุกข์ตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่พอออกมานี้ก็ร้องไห้แล้วคนที่ออกมาจากท้องแม่ถ้าร้องไห้นี่จะเป็นสุขได้ยังไงถ้าออกมาแล้วหัวร้ะถึงจะเรียกว่าเกิดแล้วมีความสุข แต่เกิดมาแล้วทุกคนนี้มีแต่ร้องไห้กันทั้งนั้นพอเกิด อ, ออกมาแล้วก็หิวข้าวหิวน้ําแล้วอยากจะกินข้าวอยากจะกินน้ําแล้วเมื่อจเจริญเติบโตไปก็ต้องทุกขกับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายต้องอาบน้ําอาบท่าต้องเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารต้องหายใจต้องดื่มน้ําแล้วก็ต้องรักษาร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย มีแต่คางทุกข์ตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดไปจนถึงวันตายเลยเราจึงไม่ควรคิดที่อยากจะกลับมาเกิดอีกเราควรคิดว่าอยากกลับมาเกิดดีกว่าและถ้าเราคิดว่าไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำบุญให้ทางให้มาก อย่าไปเสียดายสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเพราะความเสียดายนี้จะเป็นตัวดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่เราต้องปล่อยวางมีสมบัติอะไรที่มากเกินความจาเป็นก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้เอาไปทำบุญให้ทางเพื่อใจเราจะได้ไม่ยึดติดกับสมบัติข้าวของเงินทองถ้ายึดติดแล้วจะต้องกลับมาเกิดอีก ถ้าไม่ยึดติดแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดดังนั้นการปฏิบัติไม่ว่าการทําบุญให้ทานการรักษาสี่งการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาก็เพื่อที่จะทําให้เราปล่อยวางความยึดติดในสิ่งต่างๆนั่นเองยึดติดในทรัพย์สมบัติยึดติดในร่างกายของคนนั้นของคนนี้ยึดติดในร่างกายของเรา ยึดติดในความสุขของเราความยึดติดเหล่านี้และจะเป็นตัวดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่เราต้องไม่ยึดติดต้องปล่อยวางอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปเสียดายอย่าไปหวงอะไรทั้งหมดเพราะมันไม่ได้เป็นของเราเวลาที่เราจากมันไปจะทุกข์ทรมานใจมากถ้าเรายังยึดติดยังหวงอยู่แต่ถ้าเราไม่ยึดติดไม่หวงแล้วเราจะไปอย่างสบาย นี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันในวันสิ้นปีนี้และจะทำและควรจะทําทต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแล้วถ้าเราปล่อยวางได้หมดแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไปเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลย